วันนี้เป็นวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันพระวันธรรมสวระวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้า สงสอนให้พุทธบริษัทปบาสปบาสิกาศรัทธาญาโยงให้มาเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่เรียกว่าการมัสุขให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ที่เรียกว่าสันติสุขเพราะความสุขจากสันติสุขนี่จะเป็นความสุขที่แน่นอนกว่าที่มั่นคงกว่าเพราะความสุขของความสงบไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกยลภภภภิ่นรสโผฏฐะพะไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกรินกายนั่นเองเพราะรูปเสียงกยลภภิ่นรสโผฏฐะพะ เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เช่นเดียวกับตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. ก็ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาร่างกายก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเสื่อมตาก็จะฝ้าหูก็จะหนวก แต่ไม่สามารถใช้ตาหูจมูกร่นกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวดังนั้นถ้าไม่มีวิธีหาความสุขแบบใหม่เวลาไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลกวโพ ธ, ธภาได้ เวลานั้นก็จะมีแต่ความเศร้ามีความเศร้าซ้อยหงอยเหงามีความว่าเหวมีความซึมเศร้าแล้วอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้เพราะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่ไปแล้วมีแต่ความทุกข์ทุกข์ทางร่างกายและทุกข์ทางใจที่ไม่สามารถหาความสุข ผานทางร่างกายได้แต่ถ้าเราชาวพุทธมาฝึกมาหัดหาความสุขอีกทางหนึ่งความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมกูกวิ่งกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะต่อไปเวลาที่ตาหูจมกูกวิ่งกายเสือ่อมไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะมาเสพได้ ก็ยังสามารถมีความสุขได้จากการทาใจให้สงบเพราะการทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายอยู่ในสภาพไหนไม่สำคัญสามารถที่จะทําใจให้สงบได้ถ้ามีธรรมคือสติคอยควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบ ถ ห, หยุดความคิดตรุงแต่งใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาได้ถ้าไม่สึกไม่ฝึกไม่ซ้อมไว้ก่อนไม่ทําไม่ก่อนทําไม่เป็นก็เหมือนคนที่ไม่หัดว่ายน้ําเนี่ยถ้าไม่หัดว่ายน้ําก็ว่ายน้ำไม่เก่นถ้าวันดีคืนดีเกิดตกน้ําลงไปตกลงไปในน้นําในก็จะว่ายน้ําไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องจมน้ําตายเท่านั้น แต่คนที่ไม่ประมาทคิดเผื่อไว้ง่ายๆว่าวันดีคืนดีเราอาจจะไปตกลงไปในน้ำก็ได้เพราะบางทีเราจะต้องนั่งเรือข้ามฟานั่งเรือไปทำอะไรถ้าเกิดเดือนมันลุ่งเราก็ยังว่ายน้ำได้ยังปลอดภัยฉันด้ถ้าเราไม่หัด มาหาความสุขจากความสงบกันเม่มาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบต่อไปเกิดเวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจมีแต่ความเศร้าส้อยหงอยงเหงามีแต่ความว่าเหวมีแต่ความซึมเศร้า แล้วก็จะมีแต่ความคิดอยากจะฆ่าตัวตายอันนี้เราป้องกันได้ทำให้ไม่ให้ความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาฝึก ท, ทำสมาธิกัน มาอบรมจิตใจให้สงบให้ฉลาดเพราะจิตใจที่สงบจิตใจที่สว่างที่ฉลาดจะนําความสุขมาให้จะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการได้ลาบยศสรรเสริญ ต่อให้ได้เงินทองกองเท่าภูเขาความสุขที่ได้จากเงินกองเท่าภูเขาก็สื้อความสุขจากความสงบไม่ได้ต่อให้ได้ตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ต่างเปนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นราชามหากษัตริย์เป็นดาราตุกตาทองเป็น ong, ปนางานจักรวาล<ม>ตําแหน่งเหล่านี้ ความสุขที่ได้จากตำแหน่งเหล่านี้ก็สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไได้ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญมันก็ได้เพียงเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็จะอัหายไปแล้วถึงแม้จะเป็นมีตําแหน่งสูงตําแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม ความสุขที่ได้มันไม่ได้อยู่ไปกับตำแหน่งตลอดสู้ความสุขที่ได้จากความสงบ ไ, ได้ดาบได้ที่ใจสงบตามนั้นความสุขก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบได้เราก็สามารถทำให้ใจมีความสุขได้ตลอดเวลานี่แหละคือเรื่องของวันพระวันพระนี้ ให้ญยติมได้หยุดการทํางานทําการเพื่อจะได้เอาเงินทองมาหาซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ใ, ให้หยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสักหนึ่งวันแล้วมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบได้ก็ต้องอมีศีลเป็นตัวบังคับก่อน ต้องบังคับใจให้หยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลไม่หาความสุขจากการดื่มการกินการร่วมหลับนอนกันสีลข้อสามก็ให้เปลี่ยนจากถ้าสื่อสีนห้าก็เปลี่ยนจากกาเมมาเป็นอพรามจาริยาเวรามณีกาเมนี้แปลว่าไม่ให้ประพฤติประเพณีคือ ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาหรือคู่ครองของตนแต่ยังร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้แต่พอวันพรานี้ก็จะให้เปลี่ยนจากกามมาเป็นอ布 ร, รมจริยาคือไม่ร่วมหลับนอนร่วมกันเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้จะหยุดหาความสุข จากการร่วมหลับนอนกันจากการมีเพศสัมพันธ์กัน mm. จา ะ, ะมานั่งสมาธิแทนเอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันนี้มาฝึกนั่งสมาธิกัน mm. นี่คือศินข้อแปดสินแปดสินข้อ 8, สามก็ต้องเปลี่ยนเป็นอ บ, บราโมจริยา mm. แล้วก็เพิ่มศินข้อหก สินข้อหกก็คือไม่ให้หาความสุขจากการดื่มการรับประทานดื่มได้รับประทานได้แต่เพื่อเป็นการรังรับความทุกข์ของร่างกายคือความหิวเรียกว่าเป็นเหมือนกับการรับประทานยาเวลาร่างกายปวดศีรษะเราก็ซื้อยาปวดศีรษะยาแก้อาการปวดศีรษะมารับประทานอาหารนี้ก็เป็นยา แก้ความหิวของร่างกายเราประทานอาหารเพื่อดับความหิวของร่างกายและป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเกินไปเฉั้นถ้ารับประทานแบบรับประทานยานี้ก็รับประทานเพียงวันละครั้งสองครั้งก็พอรับประทานให้เต็มที่ต่อความต้องการของร่างกายถ้า เป็นการเติมน้ำมันรถนี่ก็เติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยไม่ต้องมาเติมทีละครึ่งถังแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเติมใหม่เติมทีเดียวให้มันเต็มไปเลยการที่จะกินสามมื้อก็เอามารวมกันเป็นสองมือ้อหรือมื้อเดียวเลยก็ได้สำหรับบางท่านก็ขี้เกียจยุ่งยากกับเรื่องการรับประทานอาหารก็เลยรับประทานทีเดียวเผื่อต้ง มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นไปเลยเอาเป็นมื้อเดียวไปเลย mm. นี่ถ้ารับประทานเพื่อดับความหิวองร่างกายนี้รับประทานแค่ครั้งเดียวแล้วสองครั้งก็พอ mm. ไม่จาเป็นจะต้องรับประทานสี่ห้าครั้งกันในแต่ละวัน mm. ที่รับประทานกันมากก็เพราะมันหิวทางใจมไม่ได้หิวทางร่างกาย พอใจคิดถึงอาหารคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงเครื่องดื่มก็เกิดความอยากขึ้นมาแลอันนี้ไม่ได้เป็นความต้องการของร่างกายเป็นความต้องการของใจ <c oughs> เป็นการเสพกามนั่นเองเป็นการเสพกามคุณห้าเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะของเครื่องดื่มของอาหารที่เราต้องการที่จะหยุดกันในวันพระหนึ่งวัน เพราะว่าต่อไปนี้เราจะมีปัญหาเรื่องการเดือดการรับประทานเพราะถ้าร่างกายนี้ อ, อ้วนเกินไปออน้ําหนักเกินนี่หมอก็จะต้องบอกว่าต้องกินให้น้อยลงแนละ้วดื่มให้น้อยลงแนละ้วเพราะถ้ายังกินยังเดื่มเหมือนเดิมอยู่นี่โรคภัยต่างๆจะเข้ามาราังควานออโรคความดันโรคไขมันอุดตัน โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดจากการดื่มการรับประทานมากเกินไป <c oughs> แล้วพอไม่ได้ดื่มได้รับประทานตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา <c oughs> ตอนที่เรามาปฏิบัติมาหยุดการดื่มการรับประทานก็มีความทุกข์บ้าง แต่อย่างน้อยเราทําด้วยความสมัครใจแล้วเรามีเครื่องมือแก้ความทุกข์เหล่านี้คือเราก็จะมาใช้ความสงบนี้เป็นเครื่องมือแก้ความทุกข์เรามาหัดทําสมาธิกันหัดทําใจให้สงบกันแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก เสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆก็จะเบาบางลงแลวก็จะหยุดร ง, งับไปได้เป็นพักๆทุกครั้งที่เราทำใจให้สงบได้ความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลพัฒในรูปแบบของอาหารของเครื่องดื่มหรือของอะไรตที่มาทางตาหูจมูกลินกายเช่นภาพยนตร์เพลงต่างๆเหลนี้มันก็จะไม่ เป็นปัญหากับเราเรื่องต้นนี้เราต้องอหยุดระงับห้ามไม่ให้เสียรูปเสียงกลิ่นรสหยุดด้วยศีลก่อนศีลแปดศีลหกข้อหกก็เรื่องกินเรื่องดื่ม เ, เรื่องรับประทานศีลข้อเจ็ดก็เรื่องบันเทิงต่างๆมหาหอรัศมบันเทิงต่างๆ พวกเราชอบหาความสุขจากมอสุบบันเทิงกันแม้แต่สมัยโบราณเขาก็หาความสุขจากบันเทิงกันมีโขนมีนิเกมียิ้วซึ่งสมัยนี้เราไม่ดูกันแล้วมันล้าสมัยเราดูภาพยนตร์เราดูทีวีดูอินเทอร์เน็ตนดูผ่านทางมือถือ ฟังเพลงฟังเสียงเพลงชนิดต่างๆได้มากมายกว่าในอดีตการแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องหาความสุขจากเสียงจากรูปต่างๆจากแหล่งที่เรียกว่าเป็นมหรศสมบันเทิดนีเราก็วันนี้เราถ้าถือศีลแปดเราก็จะไม่ไปตามอราน บันเทิงต่างๆใบลงภาพยนตร์ลงละครลงนิ้วลงนิกเกไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆ ง, งานเลี้ยงที่มีการดื่มการรับประทานมีดนตรีให้ฟังมีการเต้นรำเต้นแรง้งเต้นกาอันนี้เป็นความสุขที่มันเป็นความสุขไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่จะต้องมีวนันสิ้นสุดลง เหมือนกับคำพูดที่เขาพูดกันว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงพอวันเลี้ยงหมดแล้วทีนี้จะมีอะไรให้เหลือเราเราก็ไม่มีอะไรเสพกันเราก็ต้องมาเสพความสงบกันถ้ามาหัดทำตอนนั้นมันก็ไม่ทันการจะตอนนั้นมันถูกบังคับให้ขึ้นขึ้นเวทีสู้กับกิเลสตันหาแล้วถ้าเราไม่ซ้อมก่อน เวลาขึ้นเวทีก็ถูกกิเลสตัณหาต่อยเรานับเท่านั้นเองเหมือนนักมวยที่ถ้าไม่ซ้อมฝึกไว้ก่อนแล้วพอถึงวันที่จะต้องขึ้นเวทีนี้ก็ต้องถูกคู่ต่อสู้ถล่มนับลงไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าฝึกซ้อมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนออพอถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเวทีก็จะได้พร้อมต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ <Yeah. S 2> วันนี้เป็นวันที่เรามาเพาะมาซ้อมกันเหมือนนักมวยเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องขึ้นเวทีวันหนึ่งเราจะต้องเจอวันที่งานเลี้ยงมันสิ้นสุดลง <Yeah. S 2> วันที่เราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกิจนรสผดภะพัสได้เพราะว่าร่างกายของเราอาจจะไม่สมประกอบตาอาจจะหนวกหูอาจจะบอด มันเกิดอะไรเกิดขึ้นได้กับร่างกายแล้วหลายหลายวิธีด้วยกันขอให้เราคิดเผื่อไว้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกตาหูจมูกลิ้นกายของเราตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แต่พรุ่งนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเดี๋ยวมันจะต้องเสื่อมลงไปจะต้องหมดสภาพไปวันใดวันหนึ่งแล้วันนั้นมันก็จะเป็นวันของความทุกข์เพราะเป็นวันที่เราต้องขึ้นเวทีสู้กับความอยาก แล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้ำเราก็จะถูกความอยากมันถลุงเราถ้าให้เราเกิดความซึมเศร้าเกิดความว้าเหวเกิดความเหงาเกิดความคิดอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมาได้อันนี้แต่ถ้าเรามาฝึกกันอยู่เรื่อยๆทุกวันพระวันพระมาถึงศีลแปดกันศีลข้อเจก็ไม่หาความสุขจาก มหัศบันเทิงแล้วก็ไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ต้องใช้เครื่องสำอางไม่ต้องใช้น้าหอมไม่ต้องทำํทำผ้าทําผมยังดับน้ำลางหนา้ส า, าสระผมให้สะอาดก็พอร่างกายต้องชําระเพราะไม่ชําระแล้วมันจะส่งกลิ่นเหม็นมันจะทําให้ไปรบกวนคนอื่น เวลาเข้าใกล้คนอื่นเขาก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะจะทนกลิ่นของร่างกายไม่ได้เพราะฉะนั้นการอาบน้ำชําระร่างกายด้วยสบูน่นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเสริมสวยความงามเป็นการรักษาร่างกายไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นเป็นการชําระสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามผิวหนังให้มันออกไปแต่ถ้าไปใส่น้ำหอม ไปเสริมด้วยเครื่องสาอางต่างๆไปทําผ้าทําผมไปย้อมสีนั้นสีนี้ไปทําทรงนั้นทรงนี้อย่างนี้เรียกว่ากําลังเสพกลางกันกําลังหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายของตนเพราะเวลาเห็นร่างกายของตนสวยก็เกิดความสุข ไปร่างกายของตนไม่สวยนี่ก็รู้สึกไม่มีความสุขเวลาดูกระจกแล้วถ้าติินขึ้นมาใหม่ๆนี่เห็นมีแต่ขี้ตาผมเเพ้วลกหนุงลังไม่ได้หวีไม่ได้เรียบร้อยเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่ชุดสวยๆงามๆเห็นแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับร่างกายของตนถึงต้องคอยเสริมความงามอยู่เรื่อยๆ คอยแต่งหน้าทาปากทาคิ้วทำเล็บทำฟันทำผมทำอะไรต่างๆแล้วก็หาเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาสวมใส่หากระเป๋าหารองเท้ามาเข้ากับให้มันครบชุดไปไหนจะได้ดูแล้วมีสง่าราศีคนเห็นแล้วจะได้ยกย่องนับถือคนเห็นแล้วจะชื่นชมยินดี แต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวกลับบ้านก็ต้องทําบน้าอาบท่าล้างหน้าอสะผมความสวยสิ่งที่ ส, สวยก็จะถูกชําระออกไปหมดเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็ต้องทําใหม่ครับ ก, ก็ต้องทํากันอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งก็จะออกจากบ้านได้บางทีหมดไปหลายชั่วโมงเสียเวลา แต่ก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นความสุขแต่วันพรุนี้เราจะลองมาหยุดดูซิว่าเราไม่เสริมสวยความงามของร่างกายแล้วเราจะรู้สึกเราจะตายไหมเราจะรู้สึกเศร้าเศรไหมก็จะไม่รู้สึกเพราะเรามาอยู่ที่เดียวกันที่ที่ทุกคนไม่ได้เสริมสวยความงามกันทุกคนเห็นร่างกายตามธรรมชาติก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้วสินข้อสุดท้ายสินข้อแปดก็คือไม่ให้เรานอนบนเตียงใหญ่ๆฟุ้งหนาๆที่มันสบายเกินไปเพราะมันจะทำให้เรานอนมากเกินไปทำให้เราเสียเวลากับการนอนหลับแทนที่ยาวเวลานอนหลับนอนนี้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบก็ทำไม่ได้ถ้านอนบนเตียงที่สุขสบาย เาเรียกว่าเตียงสําราญเนี่ยคำว่าเตียงใหญ่ที่นั่งที่นอนใหญ่นี้หมายถึงที่นั่งที่นอนที่สําราญโมโหรานนีนั่งแล้วต้องมีมีฟูกหนาๆนั่งแล้วรู้สึกนั่งอยู่บนบนเมฆนั่งแล้วไม่เจ็บก้นนอนแล้วไม่เจ็บหลังเก็จะได้นอนมากๆนั่งนานๆจะได้นั่งดูทีวีดูภาพยนตร์ดูอะไร เพืเ่อเพินไปได้นานนั่นเองนี่คือความหมายของการไม่ให้นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนที่ใหญ่ที่สำรานถ้านั่งบนเก้าอี้แข็งๆนั่งเดี๋ยวเดียวมันก็ไม่อยากจะนั่งแล้วดูอะไรเดี๋ยวมันก็ไม่อยากจะดูแลเจ็บก้นนอนก็นอนไม่นานก็ไม่อยากจะนอนแล้วมันเจ็บหลังแล้วลุกขึ้นมานั่งภาวนานดีกว่ามาทำใจให้สงบดีกว่า นี่คือเบื้องต้นของการที่เราจะมาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือสร้างความสุขจากความสงบของใจเราต้องยุติการหาความสุขจากทางตาหูจะบูกยิ้กายจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะถ้าเราไม่มาถึงสืบสิ้นแปะเราก็จะไม่รู้ว่าทําอย่างไรเลิ อ, อย่างไร เพราะเราไม่เคยเลือกตั้งแต่เกิดมาไม่มีแต่เคยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาตลอดเราก็เลยต้องมาเรียนจากคนที่รู้ว่าวิธีที่จะเลือกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ทาอย่างไรท่านก็สอนให้มาถือศีลแปดอย่ น, นั้นเองศีลแปดนี้ก็เป็นศีลสองส่วนเป็นศูนย์ศีลห้าบวกกับศีล สิอีกสามข้อสินห้านี่เป็นการละเว้นการกระทำบาปซึ่งเราต้องละอยู่แล้วเป็นประจำเพราะการทำบาปนี้มันนำความทุกข์มาให้กับเรามันไม่ได้นำความสุขมาให้กับเราแต่แต่การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่ได้ถูกห้ามไว้อยู่ในสินห้าสินห้านี้ไม่ได้ห้าม ยังอนุญาตให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เียงแต่ว่าไม่ให้หาความสุขแบบวิธีทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเท่านั้นเองแต่พอมาวันพระนี่เราจะเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่างร้อยเปอร์เซนเลยถ้าเราไม่รู้ว่าทำอย่างไรเราก็ามาถือศีลแปดกัน แล้วเราก็จะรู้ว่านี่คือวิธีที่เราจะหยุดหาความสุขผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายกันถือสินสนข้อสามเสืออบรเมจาก็รู้แล้วว่าออกคนนี้นอนกับแฟนไม่ไดนะ้นอนห้องเดียวกันไม่ได้นอนเตียงเดียวกันไม่ได้หรือดีไม่ดีอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อยู่ไกลๆไว้ดีกว่าเพราะว่าสามีภรรยามันเหมือนไฟกับน้ามัน ถ้าปล่อยให้มันอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวไฟมันจะลุกขึ้นมาพอสเก็ดไฟไปถูกน้ํามันเข้ามันก็จะลุกเป็นไฟใหญ่ตัวขึ้นมาพอเห็นกันปั๊บคอจับเนื้อต้องตัวกันปั๊บเดี๋ยวไฟของกามารมมันก็จะลุกขึ้นมาทันทีนั้นก็ต้องแยกกันอยู่ถ้าไปอยู่วัดด้วยกันก็ทางวัดเขาก็จะแยกให้อยู่ไม่ให้อยู่ ในอาคารเดียวกันบางทีให้แยกอยู่คนละบริเวณเลยบริเวณของผู้ชายก็อยู่ภาคหนึง่งบริเวณของผู้หญิงก็อยู่ภาคนึงเพื่อที่จะได้ไม่ทําให้เกิดมีอุบัติเหตุทางการอารมณ์ขึ้นมาก็เลยต้องห้ามไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันด้วยถึงแม้ว่าการแตะเนื้อต้องตัวนี้ยังไม่ได้เป็นการเสพ เสพการมก็ตามแต่มันเป็นเหมือนกับจุดสะเก็ดไฟให้เกิดลุกขึ้นมาได้แม้แต่พระนี่เห็นไหมเวลารับของจากญาติโยมก็ยังต้องใช้ผ้าทอดผ้าไว้เพื่อป้องกันถ้ารับด้วยมือบางทีมือกับมือมันอาจจะไปพลาดไปแตกกันได้เอาไปแตกปั๊บนี่มันไฟมันจะลุกขึ้นมาในใจทันทีงั้นเพื่อป้องกัน พระท่านก็เลยไม่รับของจากสุภาพสติีด้วยมือของตนเองจะรับด้วยใช้ผ้าวางไว้เป็นสื่อให้เอาของวางไว้ที่บนผ้ามือจะได้ไม่อยู่ใกล้กันนั่นเองถ้ารับด้วยมือถวายด้วยมือเดี๋ยวบางทีมันมันพาดไปแตะต้องกันได้สำหรับสามีภรรยาถ้าถือศีลแต่ก็เหมือนกัน อย่าแตะเนื้อต้องตัวกันหรือแม้กับลูกกับหลานกับคนอื่นก็ตามถ้าเป็นเพศตรงข้ามนี้ท่านไม่นิยอมให้แตะต้องกันเช่นเช่นแม่หรือเนีย่ยไปแตะไปอุ้มลูกก็ไม่ได้ถ้าเป็นลูกชายถ้าถือศีลแปดแต่ความจริงมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าแม่กับลูกมันก็ไม่มีอารมณ์อยู่แล้ว แต่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าอาจจะไปจับลูกของคนอื่นเข้าไปจับเด็กของคนอื่นเข้ามันก็อาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ยันไม่ให้จับเนื้อต้องตัวกันเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟของกามอารมณ์ลุกขึ้นมาแต่ยังไม่ถือว่ายังไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลแบบผิดศีลข้อที่สามแต่ผิดศีลข้อที่สามได้นี้มันต้องร่วมหลับนอนกัน ป้องกันไว้ก่อนเขาก็เลยนิยมไม่ให้ผู้หญิงผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวกันถ้าถือศีลแปดนื้อศีลสิบเนื้อศีลสองรอยิบเจ็ดจะไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวกันและจะไม่อยู่ในที่ที่รับหูรับตาไม่อยู่สองต่อสองในที่รับหูรับตากันเพราะว่า ไม่มีใครรู้นี่เมื่อไม่มีใครรู้ก็อาจจะกล้าคิดทำอะไรที่ไม่ควรจะทำได้ถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่ในที่มีที่มีคนเห็นคนเห็นคนได้ยินเสียงเขาจะได้รู้ว่าคุยอะไรกันคุยเรื่องอะไรกันทำอะไรกันหรือไม่ทำอะไรกันผู้ที่ถือสิมแปนี่ยังต้องระมัดระวังตัวเองว่าอย่าไปอยู่กับเพศตรงกันข้ามในที่ ที่รับหูรับตาถ้าจำเป็นก็รีบแยกตัวออกทันทีพอเห็นเพศตรงกันข้ามมาอยู่ในที่รับที่รับหูรับตาเราก็ต้องรีบเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่มันมีคนเห็นคนรับรู้อันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทาผิดศีลศีลข้อที่สามที่ไม่ให้ทำผิดศีลก็เพราะว่า ต้องการให้หยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนินก้วกายเพื่อที่จะได้เอาเวลามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบที่เรียกว่ามาหาสันติสุขกัน<ม>อพอเรารักษาศิลนแปดได้แล้วทีนี้เราก็จะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้วละทีนี้เราก็จะมีเวลาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว อีนี้ก็ไม่มีเรื่องของการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนะเราก็จะสามารถใช้เวลาตั้งแต่เที่ยงวันไปนี้จนถึงเวลาที่เราจะเข้านอนสี่ทุ่มเกือ<ม>บสิบชั่วโมงด้วยกันเป็นเวลาที่เราจะมาฝึกจิตกันในเวลาที่เราจะมาทำจิตใจให้สงบกัน การจะทำจิตใจให้สงบได้เนี้เราต้องมีสติก่อน mm hmm. ถ้าไม่มีสติก็เหมือนรถที่ไม่มีเบรกรถนี้ถ้าไม่มีเบรกนี้ถ้าวิ่งไปไหนมาไหนนี้จะหยุดไม่ได้ mm hmm. ถ้าไปถึงสี่แยกไฟแดงมันก็จะฝ่าไฟแดงไป mm hmm. แล้วก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุ mm hmm. ที่เขาเรียกว่าเบรกแตกคว่ารถเบรกแตกก็คือรถไม่มีเบรก แ้วไม่มีเบรกพอจะต้องหยุดเบรกเพราะถ้าไม่เบรกจะต้องไปชนกับรถคันนั้นคันนี้ก็หยุดไม่ได้ก็ต้องชนกันเกิดอุบัติเหตุกันใจก็เหมือนกันใจนี่คิดอยู่ตลอดเวลาคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้หยุดคิดกันเพราะไม่มีเบรกกันไม่มีสติมาคอยเบรกใจถ้ามาฝึกสร้างสติ สร้างสติให้มีกำลังจนสามารถหยุดใจได้ก็จะสามารถทำใจให้สงบได้อย่างในเบื้องต้นถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นอนนี้อยู่นั่งไปกี่ชั่วโมงมันก็ไม่หยุดคิดสักทีก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติพอที่จะมานั่งสมาธิได้เราก็ต้องมาฝึกสติ วิธีฝึกสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีง่ายๆก็คือให้ท่องพุทธโธพุทธโธไปภายในใจเดี๋ยให้สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้บางคนก็นิยมสวดอิติปิโสตามวันเกิดเกิดอายุสี่สิบปีก็สวดสี่สิบรอบเนี่ยสวดอิติปิโสภากรวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธสวากขาโตสุปฏิปันโนไป จบหนึ่งรอบก็เริ่มใหม่เอพีโซ่รอบที่สองเวลาที่สวดนี้มันจะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ก็เลยใช้การสวรดนี้เป็นเหมือนเบรกต่อไปพอเราสามารถหยุดความคิดได้ด้วยการสวรดต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้การสวรดก็ได้เพราะเราจะมีกำลังที่จะหยุดความคิดได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้การสวรดไปก่อน ใช้การท่องไปก่อนท่งพุทโธพุทโธไปก่อนพอเราหยุดความคิดได้แล้วขั้นต่อไปเราก็มานั่งเฉยๆนั่งดูลมหายใจยเข้าออกเพื่อให้มันสงบมากไปกว่านั้นดูลมไปความคิดก็จะเบาลงเบาลงน้อยลงไปน้อยลงไปเดี๋ยวในที่สุดก็หยุดคิดอย่างเต็มร้อยเลย พอหยุดคิดอย่างเต็มร้อยใจก็จะนิ่งสงบขึ้นมา ท, าทันทีจะรู้สึกเบาสบายมีความสุขบางทีร่างกายหายไปเลยก็มีบางทีรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกางนี่หายไปเลยเหมือนอยู่คนเดียวในอาวากาศอยู่กับตัวรู้ผู้รู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสุขที่ อระพุทเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือนัตติสันติพลังสุขขังสุขเอื้อที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าเจริญสติไปอย่างไม่ขาดตอนทําอย่างสม่ําเสมอเดี๋ยวเวลามานั่งสมาธิมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะพบกับความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขที่ดีกว่าได้จากการร่วมหลับนอนกับแฟนความสุขที่ดีกว่าจากการดื่มจากการรับประทานขนมน ม, นมเนยอาหารต่างๆเครื่องดื่มชนิดต่างๆความสุขที่ได้จากการดูภาพยนตร์น้องนาทำเพลงอันนี้จะทำให้ ไม่ต้องมาหาความสุขแบบนี้ได้ต่อไปมาเบื้องต้นก็ทําไปกว่าจะได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้ามีความเพียรพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆอย่ามองข้ามสติไปเป็นอันขาดถ้าเรายังไม่สามารถทําใจให้สงบได้ขอให้เรารู้ทันทีว่าสติเรายังไม่พอ นหมือนกับถ้าเรายังหยุดรถไม่ได้อย่างเต็มที่รถเหยียบเบรกแล้วมันยังไหลอ ย, อยู่นแสดงว่าเบรกไม่ดีเราก็ต้องไปแก้เบรกไปทําเบรกให้มันสามารถหยุดรถได้อย่างเต็มที่ก่อนนั้นถ้าเรายังไม่สามารถนั่งสมาธิจนจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้แสดงว่าสติของเรายังมีไม่พอ เราก็ต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ยกเว้นงานที่ต้องใช้ความคิดทนั้นที่เราไม่สามารถที่จะใช้สติหยุดความคิดได้แต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราสามารถใช้สติหยุดความคิดได้ เช่นเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารล้างถ้วยล้างชามกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรทํานองนี้งานเหล่านี้เราไม่ต้องใช้ความคิดคิดก็น้อยมากคิดแต่เพียงได้ให้รู้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไรบ้างทางั้นี้ตอนนั้นเราก็สามารถคอยควบคุมความคิดได้คอยเจริญสติได้ คอยหมืนท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆพุทธโธพุทธโธไปมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คิดถึงรูปเสียงกลิภภ่นรสพฐพภะชนิดนั้นชนิดนี้ไม่ได้คิดถึงลาบยศสัรเสริญสุขไม่ได้ถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจหรือถ้าเราทำทใช้พุทธโธไม่ได้ เราใช้บทสวดมนได้ก็สวดมนไปก่อนเวทีทิพิโสผักกาวา阿拉หังสัมมาสัมพุทโต ว, วิชาจรณนะสัมปันโตจะใช้บทสวดบนบทอื่นก็ได้ถ้าเราชอบบทแผ่เมตตาเราก็สวดบทแผ่เมตตาไปก็ได้สัเพสัตตาเวราหตุอให้สัตว์ทั้งหลายจะไม่มีเวรกันเถิดอปยาปชาโหตุจงอย่าเบียดเบียนกันเถิด ความคิดเหล่านี้การท่องบทสวดเหล่านี้เป็นวิธีที่จะทำให้เราหยุดความคิดต่างๆได้ต้องพยายามเจริญสติทุกเวลาก่อนที่เราจะมานั่งแล้วพอเวลาเรามานั่งเราก็เจริญสติต่อถ้าเราดูลมได้เราก็ดูลมเลยถ้ายังดูลมไม่ได้ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็สวดมันไปก่อนหรือพุทโธไปก่อน ต้องฝึกทำอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะดูลมได้ถ้าดูลมได้แล้วทีนี้ก็ดูลมเข้าดูลมออกไปหรือถ้าเราพุทโธได้ก็ไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้าอยู่กับพุทโธไปได้ตลอดเวลามันก็ทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันพุทโธก็พาเข้าได้ดูลมหายใจเข้าออกก็พาเข้าได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพอใจของเรา เราทำแบบไหนได้เราก็ทำแบบนั้นไปถ้ามันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ร, รับประกันได้ว่าวันหนึ่งจะต้องถูกเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ซื้อไปเรื่อยๆเดียววันหนึ่งมันต้องถูกเองไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็อย่งน้อยก็ถูกสองตัวเลขท้ายสองตัวอันนี้ก็เหมือนกันพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้อัปปนาสมาธิก็อย่างน้อยก็ได้อานิกะสมาธิ อา น, นิกาการปนาก็เป็นสมาธิเหมือนกันต่างกันตรงที่สงบนานหรือสงบไม่นานอานิกาสมาธินี้นสงบเดียวเดียวเหมือนงูแลบลิ้นสงบปุ๊บแล้วก็ถอนออกมาถ้าอปนาสมาธิก็สงบยาวอยู่ได้นานก็นอยู่กำลังของสติ เวลาฝึกเวลาเริ่มต้นใหม่ๆมันจะได้คันยิกะกัน mm hmm. เพราะกําลังของสติยังมีไม่มากพอ mm hmm. มากพอที่จะทําให้จิตสงบได้ชัวว่วแวบหนึ่งเท่านั้นเอง mm hmm. แต่มันก็จะทําให้เกิดมีความศรัทธามีความยินดีที่จะปฏิบัติเพราะว่าเหมือนกับได้สัมผัสกับหนังตัวอย่างได้ดูหนังตัวอย่างแล้ว mm hmm. ได้ทดลองใช้สินค้าตัวอย่าง เวลาผู้เขาผู้จำหน่ายสินค้าบา ง, บางชนิดเนี่ยเวลาเขาผลิตออกมาใหม่ๆนี่เขาเอามาแจากแต่เขาไม่เอามาใส่ขวดใหญ่ๆเขาใส่ขวดเล็กๆพอให้เอาไปลองใช้ได้ครั้งสองครั้งเพื่อจะได้รู้ผลว่าเป็นยังไงหรือถ้าเป็นเครื่องดื่มเขาก็ใส่ขวดเล็กๆให้ลองชิมดูพอได้ลองชิมลองดื่มดูแล้วถูกใจขึ้นมาทีนี้ก็อยากจะ ซื้อขวดใหญ่มาดื่มนะอันนี้ก็เหมือนกันพอเราได้ชิมรสแห่งธรรมที่เป็นที่ชนะรสทั้งปวงแล้วเนี่ยพอได้สัมผัสกับความสงบแม้แ่แม้แค่เพียงแค่งูแลบลิ้นก็ตามมันจะทำให้เกิดความดีดฉันทะขึ้นมาความชอบความอยากสัมผัสกับความสุขแบบนี้อีกหรือเหมือนกับดูหนังตัวอย่างเนี่ย เวลาเราได้ดูหนังตัวอย่างแค่นาทีสองนาทีนี่พอดูแล้วถูกใจเราชอบขึ้นมานี้ทีนี้ก็อยากจะดูหนังจริงแล้วนี่ก็คอยรอวันที่หนังจะเข้าโงรงรอเข้าโรงก็รีบไปจองตั๋วก่อนสมัยก่อนนี่เวลาหนังหนังที่ดังๆเข้าโรงแต่ละครั้งนี่คนไปนอนเข้าคิวกันตั้งแต่แต่หัวค่าก็มี นราให้ลงลงหนังเปิดที่ขายตั๋วจะได้ซื้อตั๋วได้ก่อนคน อ, อื่นเพราะถ้ามาซื้อที่หนังเดี๋ยวมันหมดก่อน mm hmm. ก็เราจะไม่ได้ดูรอบแรกต้องรอไปดูอีกหลายวันด้วยกันกพราะคิวมันยาวนะนี่คือการเจริญสตินะก่อนถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวจะต้องพาเราไปสู่คณิกะสมาธิก่อน ยังไปไม่ถึงอัปปนาสมาธิยกเว้นคนที่มีสติที่แก่กล้าอยู่แล้วคนที่มีบุญเก่าคนที่มีสติติดตัวมามากเนี่ยพอลองนั่งสมาธิครั้งแรกพุทโธเพียงห้านาทีจิตก็เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เลยอันนี้เป็นกรณีพิเศษแต่สำหรับบุคคลทั่วไปอย่างพวกเรานี้ที่ตะเกียกตะกายกับการเจริญสติ น้อมลุกคุกคานกับสติเนี่ยพุโทโธได้สองคำก็หายไปแล้วไปคิดถึงขนมนมเลยแล้วไปคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงคนนี้นคนนี้แล้วเดี๋ยวพอได้สติอ้ากลับมาพุโทโธใหม่พุโทโธสองสามคำไฟไปแล้วหายไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยอต้องอดทนต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนให้คิดว่ากุลงลมไม่ได้สร้างภายในวันเดียว ต้องใช้เวลาเมื่อเราไม่มีของเก่าเราไม่ได้ทำของทำไม่มีของเก่าติดตัวมาเราก็ต้องเราก็ต้องหาใหม่หาใหม่มันก็หาได้น้อยกว่าคนของคนที่เขามีของเก่ามาแล้ว <lug S 2> เหมือนคนที่เติมน้าไปครึ่งตุ่มแล้วกับคนที่ยังไม่ได้เติมน้าเลยเนี่ย <lug S 2> คนที่เติมน้าครึ่งตุ่มเขาเติมอีกครึ่งตุ่มเขาก็เต็มละ แต่คนที่ยังไม่มีน้ำในตุ่มแล้วเนี่ยก็ต้องเติมมากหน่อยใช้เวลามากหน่อยแต่เดี๋ยวก็เต็มเองถ้าไม่หยุดเติมสติก็เหมือนน้ำในตุน่มเนี้แต่ละคนนี่จะมีสติติดตัวมาไม่เท่ากันติดตัวมากับใจไม่เท่ากันทาไมคนเราถึงมี เ, เรียนเก่งเรียนไม่เก่งก็อยู่ที่สตินี่แหละคนที่เรียนเก่งเรียนได้คะแนน ด, ดีเพราะสติเขาดี เขาตั้งใจฟังคนที่ไม่มีสตินี้ครูพูดอะไรไม่ได้ยินอะ่ะเพราะมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสติที่จะคอยควบคุมให้ฟังครูอาจารย์สอนได้ถึงเวลากลับบ้านให้ทําการบ้านก็ไม่มีสติควบคุมให้ไปทําการบ้านพอกลับไปบ้านก็ไปเล่นไปเปิดทีวีดูเรียนก็เลยได้คะแนไนไม่ดีนี้ไม่ดีสอบตกเรียนไม่จบก็มี นี่เป็นเพราะว่ามีสติมาไม่เท่ากันนี่ยนักเรียนที่เรียนจึงมีนักเรียนที่เก่งกังไม่เก่งมีนักเรียนสี่จุดมีสามจุดมีสองจุดมีหนึ่งจุดก็อยู่ที่กําลังของสติแต่ละคนนักเรียนสูงเรียนเรียนมากเรียนน้อยก็อยู่ที่สติบางคนก็จบด็อกเตอร์ได้บางคนก็จบปโทบางคนก็จบปตรี แต่ยิ่งเรียนสูงขึ้นไปก็ยิ่งมีน้อยลงไปเรื่อยๆคนเรียนอนุบาล น, นี่เยอะที่สุดนะแต่พอขึ้นป .1 ก็น้อยลงไปพอขึ้นมัธยมก็น้อยลงไปพอขึ้นปริญญาตรีก็น้อยลงไปเพราะมันต้องใช้กําลังของสติมากขึ้นมากขึ้นในการเรียนนั่นเองดงั้นคนที่มีสติไม่พอที่จะเรียนก็เรียนไม่เรียนไม่ไหวไปเอ็นท่านก็เอ็นไม่เข้าทําข้อสอบไม่ได้ พราไม่มีสติเตรียมตัวดูหนังสือนั่นเองไม่มีสติคอยควบคุมใจให้ดูหนังสือให้ทําการบ้านพอถึงเวลาไปสอบเอ็นทานก็สอบไม่เข้ า, น, า น, นี่คือตัวอย่างของการมีสติของแต่ละคนพวกเราทุกคนนี้มีสติมาไม่เท่ากันการปฏิบัติเพื่อมบรรลุมันถึงไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าก็เลยต้องแบ่งว่าบางคนก็เจ็ดวัน บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีบางคนก็เจ็ดชาติบางคนก็ยังไม่มีกำหนดเพราะยังไม่เข้าขายยังไม่มีสติพอที่จะฝึกสมาธิได้อันนี้ก็ต้องถ้ารู้ว่ายังไปไม่ถึงไหนก็ต้องรู้แล้วว่าเราสิ่งที่เราขาดก็คือสติอย่าน้อยเนื้อตั้งใจเพราะว่า ทุกคนสร้างสติขึ้นมาได้ yeah. Yeah. อย่าไปคิดว่าโอ๊ยเราไม่มีสติติดมาเราไม่มีวาสนาไม่มีวาลบาลราีทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรอย่าทำดีกว่า <Yeah. S 1> อันนี้เป็นความคิดผิด <Yeah. S 1> ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะทำอะไรได้สำเร็จ <Yeah. S 1> แล้วน้อคิดว่าเออเราสะสมกำลังมาน้อยกว่าเขาเขามีกำลังมากกว่าเขามีสติมากกว่าเรา เขาก็เลยไปได้เร็วกว่าเราไปได้ไกลกว่าเราแต่ถ้าเราพยายามสร้างสติขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ไปเร็วเท่าเขาได้ไปไกลเท่าเขาได้เพียงแต่ว่าจะช้ากว่าเขาเพราะเขาทำมาก่อนในคนที่ตักน้ำใส่ตุ่มเนี่ยเขาตักมาเต็มต่มาต้องเพิ่มเต่มแล้เรายังไม่มีเลยขั้นยอดเดียวเลยเราก็ต้องตักมากกว่าเขาตักบ่อยกว่าเขา เขาไม่ต้องตักมากเขาตักไม่นานเดี๋ยวเขาก็แต่งต่งแล้ะงั้นเราอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่น<ม>แล้วทำให้เราท้อแท้<ม>เปรียบเทียบได้ว่าเขาทำมากกว่าเราทำมา ก, ก่อนเราแต่เราก็สามารถทำได้เหมือนเขาเพราะจิตใจของเขากับจิตใจของเรานี่เหมือนกัน<ม>เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันสามารถที่จะสั่งให้มันทำอะไรได้เหมือนกัน ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่เอาธรรมะมาสอนพวกเราให้เสียเวลาพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกเรามีความสามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนกันทุกคนอยู่ที่ว่าเรามีความเพียรพยายามที่จะทํำหรือไม่เราต้องพยายามผลักดันตัวเราเองพยายามผลักดันให้เราเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยบังคับให้เราพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆหรือคอยบังคับให้มัน เฝ้าอยู่กับร่างกายอยู่เรื่อยๆเฝ้าดูร่างกายอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรอยู่อยู่กับมันอาบน้ำก็อาบน้ำกับมันกินข้าวก็กินข้าวกับมันล้างหน้าแปรงฟันก็ล้างหน้าแปรงฟันกับมันซักเสื้อผ้าก็ซักไปกับมันกวาดบ้านถูบ้านก็ไปกับมันอย่าไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายหรือถ้าไม่อยู่กับร่างกายก็อยู่กับพุทโธพุทโธไป แลเดี๋ยวสติก็จะมีมากขึ้นมาเองพอมีมากพอพอนั่งสมาธิปั๊บเดียวจิตก็สงบได้พอมีสติที่มีกำลังทําจิตให้สงบได้แล้วทีนี้มันจะไปเร็วแล้วล่ะพอมสงบครั้งแรกแล้วมันจะเกิดความยินดีเกิดกำลังใจขึ้นมาโอ้เราทําได้แล้วเนี่ยวะพอเราทําได้แล้วทีนี้ก็อยากจะทําให้มันมากขึ้นก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นบ่อยขึ้น แล้วเดี๋ยวก็นั่งได้นานขึ้นนั่งได้เร็วขึ้นสงบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นได้นานขึ้นต่อไปก็จะชำนาญต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้ <S <S เหมือนตอนที่เราหัดขับรถใหม่ๆนี่ <S 1> <S 1> <S ก็ก่อนจะสตาร์ทรถติดนี่โอ้ยเหนื่อยไหนต้องหาลูกุญแจไหนจะต้องหาเกียร์ว่างหาอะไรต่างๆเพราะแต่ละขั้นตอนมันมีขั้นตอนของมัน ทำข้างมากนี้มันไม่ชำนาญมันต้องไปทีละขั้นทีละตอนแต่พอฝึกทําบ่อยๆเข้าจนชํานาญนี้เวลากระโดดขึ้นรถปุ๊บนี่สตานรถปุ๊บไปวิ่งไปได้เลยอาศัยความชํานาญสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราทําบ่อยๆเท่าเรื่อยๆเราจะชํานาญขึ้นต่อไปจะนั่งสมาธิจะเข้าสมาธินี่นั่งหลับตาปุ๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีได้ซ้าไป จิตก็สงบได้ทันทีและสงบได้นานด้วยนในเบื้องต้นอย่าท้อแท้ต้องอดทนต้องสอนตัวเองว่าต้องใช้เวลากุงโลมไม่ได้สร้างขึ้นมาเพงวันเดียวสมาธินี้ก็ไม่เกิดขึ้นจากการนั่งครั้งแรกครั้งเดียวยกเว้นจากคนที่เคยมีมาแล้วในอดีต ชาติก่อนเคยเข้าสมาธิได้แล้วพอชาตินี้มาฝึกสมาธิก็สามารถเข้าได้ทันทีเลยก็มีแต่อันนี้เป็นกรณีพิเศษอย่าไปเอาเขามาเป็นมาตรฐานแล้วมันจะทําให้เราไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัติต้องมองคนอื่นที่เขาช้ากว่าเราที่ยากกว่าเราคนอื่นมาถือศีลแปดยังมาไม่ได้เลย มาอยู่วัดยังอยู่ไม่ได้เลยเรานี่มาอยู่วัดได้มาถือศีลแปดได้เรามาฝึกสมาธิได้แสดงว่าเราเก่งกับเขาเก่งก่าคนที่ถือศีลห้าบางคนถือศีลห้าได้แต่ยังไม่ถือศีลแปนต้องเวลาอยากจะมีกำลังใจนี่ต้องมองคนที่เขาด้อยกว่าเรา เราจะทำให้เราส้สกภูมิใจว่าเอ้ยเราเก่งกว่าเขานะแต่ถ้าเราไปมองคนที่เขาเก่งกว่าเรานี่พอดูเขาแล้วโอ้ยหมดกำลังใจกูกูจะเป็นเหมือนเขาได้ยังไงวะงั้นต้องอย่าไปมองถ้าจะมองก็มองเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเราต่อไปเราจะต้องเป็นเหมือนเขาแล้ววิธีอะไรที่จะทำให้เราเป็นเหมือนเขาเราก็ต้องหัดทําให้ได้ ถ้าอยากจะเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วได้นานเราก็ต้องพยายามฝึกสติบ่อยๆให้มีสติอยู่เรื่อยๆเราเลิกถึงพุโทโธอยู่เรื่อยๆสวดมนต์ไปภายในใจอยู่เรื่อยๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดไหลไปตามกระแสของอารมณ์เห็นรูปก็คิดไปละเห็นเสียงก็ได้ยินเสียงก็คิดไปลว คิดถึงรูปในอดีตบ้างคิดถึงรูปในอนาคตบ้างคิดถึงเสียงในอดีตบ้างอันนี้แสดงว่าไม่มีสติปล่อยให้ใจไหลไปตามอารมณ์คิดตงแต่งไปเรื่อยๆทีแล้วบางทีก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาบางทีก็เกิดความเศร้าขึ้นมาทางคิดคต่างๆนี้ส่วนใหญ่มันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์กันสู้อยู่สู้ไม่คิดดีกว่า ถ้าจะคิดก็คิดเรื่องจำเป็นคิดแล้วทำให้ได้เงินค่อยคิดดีกว่าเช่นเวลาไปทำงานนี่ต้องใช้ความคิดคิดแล้วเดี๋ยวก็ทำงานให้เขาได้ทำงานเสร็จเดี๋ยวเขาก็จ่ายเงินเดือนให้เราแต่ถ้าคิดแล้วเพ้อฝันเพ้อเจอคิดแล้วทำให้เราเศร้าคิดทำให้เราเหงาว้าเหวอย่าไปคิดมันดีกว่าหยุดคิดดีกว่ามาทำพุทโธพุทโธแล้อสวดมนบายภายในใจดีกว่า อันนี้ทําได้ทุกิริยาบทนะถ้าทำาปภายในใจไม่ต้องรอเวลาถึงเวลาสวดมนต์แล้วก็ไปสวดกันเราสวดได้ทั้งวันเลยถ้าเราสวดไปภายในใจแม้แต่อยู่ในห้องส่วมก็สวดได้ถ้าเราสวดไปภายในใจไม่ถือว่าไม่ไม่เคารบนะถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานี้ไม่ไม่กำหนดสถานที่เวลาอากาลิโก จะปฏิบัติในห้องส้วมก็ได้บางทีจิตฟุ้งซ่านโกรธคนนั้นคนนี้หลบไปเข้าไปในห้องส้วมไม่มีจะได้ไม่ได้ไปเห็นคนที่ทําให้เราโกรธเราไปนั่งสวดมนต์สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หายโกรธได้ mm hmm. ยา น, นการสวด น, นี้การเจริญสตินี้ถ้าเราทําไปภายในใจนี้เราทําได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ต้องมารอถึงเวลาให้ควัด เขามาตีะระฆังก่อนว่าเฮ้ยถึงเวลาไปสวดมนต์แล้วอต่อย่างงั้นไม่ทันการ mm hmm. กินเลสมันเอาไปกินหมดแล้ว mm hmm. ความฟุ้งซ่านเอาไปกินหมดแล้ว mm hmm. ความเผลอสติเอาไปหมดแล้ว mm hmm. เราต้องสวดมันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาว่าให้ i, ปฏิบัติบูชานะวันนี้เอาเลยพุโทโธพุโทโธไปเลย <c oughs> อย่างนี้ก็เรียวกว่าปฏิบัติบูชาแล้ว ไม่ต้องรอไปเข้าโบสถ์ก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติบูบชาไม่ต้องไปหาดอกไม้ทูบเทียนมาให้เสียเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชานี้มีอยู่สองแบบด้วยกันคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนต่างๆเป็นต้นปฏิบัติบูชาก็คือการเจริญสติปัญญานี้เอง แทนพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาที่แท้จริงที่ถูกต้องที่ควรจะบูชาคือปฏิบัติบูชาอามิสบูช า, า, ชาถ้ามีเหตุมีกาลเทศะที่จะต้องทาพิธีกรรมก็หาดอกไม้ทูบเทียนมาทําท่านอยเพื่อให้มันดูสวยงามแต่ถ้าปฏิบัติบูบชานี้ไม่ต้องใช้ดอกไม้ทูบเทียนน ขอให้เน้นการปฏิบัติบูบชาไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอามิสบูชามากจนเกินไปเพราะผลที่ได้จากอาบิสบูชานี้ได้ไม่มากหรือได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ได้ก็นิดเดียวผมจะว่าไม่ได้เลยเลยก็ไม่เชิงก็ได้สติบ้างแต่ไม่มากสู้มาเจริญพุทโธพุทโธดีกว่าสู้มาสวดมนต์ใบภายในใจดีกว่าจะได้เป็นกออเป็นกรรม บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่ปฏิบัติทำสมควรแก่ทำผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตเนี่ยคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมายถึงปฏิบัติอย่างถูกต้องเช่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องพุทโธอย่างไม่ขาดไม่หายนี้เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆอันนี้กว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ใช่รอให้เวลาส่วนมนวันหนึ่งมีเช้าเย็นแค่นั้นเองส่วนเวลาอื่นก็ปล่อยให้ใจตลิดเปิดเบิงไปกับกิเด็สปัญหาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้อันนี้ไม่เป็นการปฏิบัติบูชาชปฏิบัติบูชานี้ต้องคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาให้มันอยู่ในความสงบให้มันอยู่ในความเป็นปกติคือไม่ให้ไปมีเรื่องมีราวไม่ให้ไปโลภไปโกรธไปหลงไป มีปัญหาอะไรกับใครให้ตั้งอยู่ในความสงบความเป็นปัจจัติสุขเห็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูาชาดันั้นเวลาที่เราจะเริญพุโทโธพุโทโธนี้เราทําได้ทุกเวลาทุกสถานที่แต่ก็ต้องดูการละเทสาว่าควรจะทําหรือไม่ทําเช่นถ้าเราสวดขับรถนี่ก็ต้องดูการขับรถเป็นหลักก่อน ไม่ใช่ไปดูพุโทโธเป็นหลักแล้วขับรถไปเป็นรองเดี๋ยวก็รถเกิดอุบัติเกิดมีมีอะไรขึ้นมารถตัดหน้ า, า จ, จะหยุดไม่ทันเนเวลาขับรถนี่ต้องดูรถก่อนดูการขับรถก่อนส่วนพุโทโธอาจจะเอาเป็นแบ็กอัพก็ได้เผื่อมันขับแล้วมันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มันมาคิดที่พุโทโธแทนแต่ก็ยังต้องดูการขับรถเป็นหลัก เวลาเดินก็ต้องดูการเดินเป็นหลักเดี๋ยวเดินไปเตะไอ้นู่นแต่อันี้มัวแต่พุทโธพุทโธไปก็ไม่ก็ไม่ถูกก็ต้องมีสติให้รู้อยู่ว่ากําลังเดินไปตรงไหนกําลังมีอะไรอยู่ขวางหน้าแล้วถ้าใจมันไม่ยอมอยู่กับการเดินนี้ก็อยากจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธหนึ่งมันกลับมานี่คือ การปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อที่จะทําใจให้สงบต้องมีสติก่อนต้องหากุญแจรถให้เจอก่อนก่อนจะขับรถได้นี่ต้องไปต้องใช้กุญแจต้องมีกุญแจถ้าไม่มีกุญแจก็เปิดประตูรถไม่ได้ไม่มีกุญแจก็ไปสตาร์ทรถไม่ได้รถก็จะจอดอยู่อย่างนั้นไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีสติจิตก็ไม่สง บ, สงบไม่ได้จิตจะเกิดปัญญาก็เกิดไม่ได้ จิตจะเกิดวิมุตติหลุดพ้นจะเกิดไม่ได้เห็นเบื้องต้นตอนนี้พวกเรายังหากุญแจกันไม่เจอเั้นพยายามหากุญแจกันให้เจอหาพุโทโธให้เจอหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านปฏิบัติอยู่กับชาวเขาท่านอยู่อาศัยชาวเขาเดนบินทบาดมินบาดแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านท่านอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านแต่บางทีชาวเขาก็เป็นห่วงท่านเห็นท่านอยู่คนเดียวก็มาแอบดู มาดูก็เห็นท่านเดินจงกรมไปเดินไปเดินมาเขาก็คิดว่าท่านกำลังหาอะไรอยู่เขาก็เลยไปถามว่าหลวงปู่หาอะไรครับให้ผมช่วยหาไหยหลวงปู่บอกพวกกำลังหาพุทโธพุทโธแล้วนะหายัางไงล่ะปู่บอกท่องพุทโธพุทโธไปมันก็เลยเดินท่องพุทโธพุทโธหาหาพุทโธให้หลวงปู่ไปหลวงปู่ท่านฉลาดสอนคนให้เจริญสติย้อนไม่รู้สึกตัวนี่คือ เรื่องของการเจริญสติอันนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดในการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าไม่มีสติมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมกี่ร้อยปีก็เหมือนเดิมไม่ได้อะไรได้อย่างมากก็แค่รักษาสีนแปดไปเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เรารักษาศีนแปดแล้วทีนี้ก็มาตั้งสติกันมาเจริญสติกัน แล้วก็มานั่งสมาธิกันแล้วใจเราจะได้สงบมีความสุขพอมีความสุขแล้วเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเมื่อร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เราก็ใช้สติเป็นเครื่องมือแทนอันนี้คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราภะริปุเรติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปัชิีตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังก a ปาญาณโทปนะวะโสยถามานิโชติ 阿拉โสยทัสสะปิติโยมวัจัตุสัพปรโคิัสสตุมาเตภวัตวันตาายุสุขีทขายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจามุทาปจายโนจตารธมวัฏฐาติอายุวันสุขัง พราาอราช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเขิญนถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วจะอ่านคำถามให้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโต464 Facebook พออจอสุชาติพิชาโต50ยอดรวมทาง Facebook 514 YouTube 334ววทยุออนไลน์8 z o ูม7รับฟังหน้ากุฏิ51รวม914ค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยคำถามฝากถามค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือวันหนึ่งเจอเหตุการณ์คือต้องตัดต้องเข้าห้องผ่าตัดขณะผ่าตัดอยู่นั้นประสาทรับรู้ทุกอย่างเราได้รับรู้ทางการผ่าตัดตลอดแต่ไม่เจ็บเนื่องจากฉีดยาชาแต่ใจเรามันไปยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวของตัวเอง ความกลัวมันเห็นผ่านใจได้ชัดเจนพยายามอยู่กับพุทโธแต่มันเหมือนพุทโธอยู่ที่ปากค่ะใจมันเต้นแรงแข่งกับพุทโธตลอดเวลายิ่งพุทโธเร็วใจก็ตีกรองเร็วอยากรบควรถามพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไร เคยได้ยินพระอาจารย์สอนตลอดว่าให้คิดว่าเป็นมะเร็งถ้าหมอบอกต้องตายก็ต้องตายตอนนี้เข้าใจความรู้สึกนั้นเลยค่ะอย่างนี้เราต้องฝึกอย่างไรคะไละมีกล ว, วิธีการคิดอย่างไรให้สู้กับเหตุการณ์แบบนี้ได้คะก็อย่างที่พูดเนะี่ยถ้าทำใจได้ปล่อยให้มันเป็นไปมันจะตายก็ตายไปมันจะหายก็หายใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะสงบถ้าทาใจไม่ได้ก็ต้องพุโทโธพุโทโธ ก็ใจไม่ยอมรับความจริงใจอย่างที่ว่าเป็นตัวเราของเราอยก็ต้องใช้พุทธโธหยุดมันแต่ถ้าใช้พุทธโธหยุดมันไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราไม่ฝึกพุทธโธมาก่อนนั่นเองเพอถึงเวลาจะขึ้นเวทีก็อย่างที่บอกอไม่ซ้อมชกก่อนพอขึ้นเวทีก็ถูกคู่ต่อสู้ถลุงยับเท้านั้นเองอเราต้องหัดซ้อมไว้ก่อนหัดเจริญสติหัดนั่งสมาธิกันไว้ก่อน เดี๋ยวเวลาที่เราจะต้องใช้สติใช้สมาธิเราจะได้ใช้ได้ทันการคําถามจากคุณลมเปียรทิศกระผมอยากทราบว่าถ้าเราไม่ออกบวชสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราต้องมีศีลห้าสมาธิถึงขั้นไหนครับจึงจะสามารถบรรลุโสดาบันได้ครับก็ต้องมีศีลแปดนะถึงจะได้สมาธิระดับอัปปนา ถึงจะไปเจริญวิปัสนาให้เห็นว่าร่างกายเป็นไม่ใช่ตัวเราของเราก็ต้องมีศีลมีสมาธิปัญญาเต็มร้อยถึงจะบรรลุได้คำถามสองคำถามค่ะคุณแม่อยู่ที่วัดมาสิบปีจะกลับมาอยู่ที่บ้านมีคนพูดว่าคุณแม่หมดบุญแล้วจึงได้กลับไปอยู่บ้านกลับไปรับกรรมที่บ้านจริงไหมคะ มันก็ไม่รู้หมดก็ไม่หมดนะมันอยู่ที่ว่ากลับไปทําไมมันมีเหตุการณ์บังคับให้กลับไปมันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญหรอกมันเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ก็ได้เช่นร่างกายบวชกําลังวังชาเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้ก็ต้องกลับไปอยู่บ้านให้ลูกดูแลต่อไปอยู่ที่ไหนมันก็รับกรรมทั้งนั้นแหละอยู่วัดมันก็รับกรรมอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกนี้คุกคนเกิดมานี้เกิดมาเพื่อรับกรรมมันทั้นนั้นแหละ ถ้าไม่อยากจะรับกรรมก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเองฉะ mm. นั้นจะว่าหมดบุญหมดกรรมมันก็เป็นเพียงแต่แค่คําพูดตามจริงเราก็ไม่รู้ว่าหมดอะไร mm. หมดศรัทธาหมดความเพียรหมดความขยันที่จะปฏิบัติหรือเปล่าฉะ mm. นั้นก็ต้องวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นอะไรอ คำถามข้อสุดท้ายคุณแม่มีโอกาสได้อุปัฏฐาพระอาจารย์รูปหนึ่งมีคนพูดว่าบุญที่แม่ทำมันส่งผลถึงลูกได้ด้วยจริงไหมคะบุญของใครบุญของมันนะส่งไม่ได้หรอกนอกจากถ้าเป็นธรรมะกก็เอามาแจกมาแบ่งกันได้เอามาสอนกันได้แต่ถ้าคนคนรับไม่ไม่สนใจฟังก็รับไม่ได้อยู่ดีถ้าอยากจะรับบุญจากแม่ คือธรรมะก็ให้แม่สอนธรรมะให้กับเราแล้วพอเราฟังธรรมะจากแม่เราก็จะได้บุญคือธรรมะจากแม่เองแต่อยู่ดีๆมันจะให้มาแบบอัตโนมัติไม่ได้บอกว่าอพอทแม่ได้ทาแล้วลูกก็จะได้ทำต่อนี่มันเป็นบปไม่ได้นั้นก็ปฏิบัติคนเดียว ป, ปฏิบัติพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วก็ส่งต่อไปให้มันทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนพี่นะ้องอะไรต่างๆ ต่อกันไปเรื่อยๆ เ, เหมือนไวรัสนี้อเหมือนโควิด -19 บเก้าเนี่ยมันส่งต่อกันได้แต่ธรรมะมันส่งต่อแบบไวรัสไม่ได้ถ้าธรรมะส่งแบบไวรัสได้ก็ดีเนี่ยปุ๊บพอพระพุทธเจ้าคนเดียวพอเป็นพระพุทธเจา้าครัะต่อไปก็เป็นพระพุทธเจาา้าตามไป <c oughs> <c oughs> คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะได้เริ่มข้อปฏิบัติทำครั้งแรกเมื่อธันวาคม2547จากนั้นก็มีโอกาสปฏิบัติแบบรุ่มๆดอนๆ อ, อ, อยู่เรื่อยก็ดูเหมือนไม่มีความก้าวหน้านักไ ด, ได้เริ่มมีโอกาสฟังเทศจากพระอาจารย์เมื่อเมษาพฤษภา this โดยการแนะนําของเพื่อนและได้ฟังอ่านเรื่อยมาจนทุกวันนี้ประกอบกับช่วงโควิดได้มีโอกาสเจริญสติเกือบทุกวันวันละสองรอบเช้าค่ําคําถามคือในช่วง3าสเดือนที่ผ่าน ม, มีความรู้สึกเบื่อเบื่อขึ้นมาบ่อยรวมถึงรู้สึกเศร้าและหดหูจึงไม่แน่ใจว่าเกิดความถึกเช่นนี้เพราะอะไรหรือเพราะอยู่ในช่วงโควิดทำให้จิตใจเศอ้าหมองเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจากการดูละครทีวีเบื่อฟังเพลงจากการวิทยุ ที่โปรดเบื่อการฟังข่าวเบื่อประเทศต่างประเทศไม่อยากได้เข้าของต่างๆแต่ยังมีภาระจ่าย ก, การรักษาทรัพย์สินที่เก็บงําได้จากการทำมาหา้ยงชีพโดยประหยัดอดออมไม่ให้สูญค่ากลัวตัวเองลำบากอย่างฉลาไม่มีใครเลี้ยงดูและไม่มีลูกก็ไม่มีสติถ้ามีสติอาการเบือ่อเบื่อก็จะไม่มีปวายให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดถึงโควิดเดี๋ยวจะตายจะเป็นนุ่นเป็นนี่มันก็เบื่อขึ้นม า, างั้นถ้าหยุดความคิดด้ความเบื่อมันก็หายไปต้องพยายามเจริญสติไม่ใช่แค่เช้าเย็นนะเนี่ยมันต้องเจริญทั้งวันทุกอย่างให้มีช่องว่างของการไม่มีสติพอมีไม่มีสติปับ๊บมันก็คิดทำให้เกิดความเบื่อขึ้นมาได้งั้นถ้าเราพอเบื่อปับ๊บเราก็ต้องรีบพุโทโธพุโทโธกันไปเจริญสติไป สือความคิดไปเดี๋ยวสักพักความเบื่อมันก็หายไปเองคำถามจากคุณนิพานังปรมังสุขขังขอคําแนะนําอุบายวิธีขจัดความฟุ้งซ่านในจิตใจหากบริกรรมพุโทโธทั้งวันแล้วไม่ได้ผลค่ะมันได้สิมันไม่บริกรรมจริงอ่ะถ้าเวอบริกรรมทั้งวันได้มันมันต้องไม่ฟุ้งอ่ะงั้นไม่เชื่อหรอกว่าถ้าบริกรรมบริกรรมทั้งวันได้แล้วจิตยังฟุ้งอยู่ มันก็ไม่รู้บริกรรมแบบไหนนะบริกรรมแบบพุง่งมันถึงฟุ้งมันบริกรรมต้องรู้สึกตัวทุกขณะ ร, รู้สึกคําพูดของพุทโธ ท, ทุกขณะด้วยไม่ใช่บริกรรมไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยมันก็ฟุ้งต่อไป <S <S มันต้องบริกรรมแบบให้อยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวส่วนความคิดมันจะคิดยังไงก็ไม่ต้องไปตามคิดกับมัน <S <S แล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปสงบตัวลงเอง คำถามจากคุณเนะ ต, ตั้งใจว่าจะรักษาศีลแปดทุกวันพระแต่วันนี้พลาดรักษาไม่ครบเนื่องจากลืมจำวันผิดควรแก้ไขยอย่างไรดีครับเนื่องจากปวารณาถือช่วงเข้าพรรษาไว้ด้วยครับก็ยังไม่หมดวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็แค่สาโมงรักษาได้อย่าไปกินข้าวเย็นอย่าไปดูหนังฟังเพลงต่อไปก็ยังทำได้อยู่ยังมีเวลาเยอะกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ ต้องหลายส0ชั่วโมงต้องสิบกว่าชั่วโมงด้วยกันถ้าอยากจะรักษาจริงๆมันรักษาได้แล่ไม่ั้นก็อ้างต้องมาถามคนอื่นว่าจะทำยังไงอะไรว่าก็อยากจะรักษาก็รักษาไปสิไม่ต้องมาถามคนอื่นว่ารักษาอย่างไงจะทำยังไงคำถามสากคุณวริษการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ก่อนนั่งสมาธิจะทำให้นั่งสมาธิสงบดีขึ้นไหมครับ เวลาแผ่เมตตาต้องแผ่กับต่อหน้าเขาไม่ใช่มานั่งคนเดียวแผ่รับหลังของต้องแผ่ตอนเจอเขาสวัสดีพี่สบาดีเหนือมีอะไรผมช่วยเหลือไหมอย่างนี้เอาแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งแผ่ตอนที่อยู่คนเดียวเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างนี้จิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรจากการแผ่เมตตานั้นเป็นเพียงการสวดเท่านั้นเองคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถ้าลูกจะปฏิบัติบูชาถือศีลแปดอยู่ที่บ้านตอนเย็นไม่ทานอาหารเย็นลูกสามารถทําอาหารให้กับครอบครัวทานได้หรือไม่เจ้าคะเพราะลูกยังส า, ย, งสายังไม่สามารถไปปฏิบัติที่วัดได้เพราะยังมีภาระเจ้าคะ่ะลูกจะปฏิบัติตามคําสั่งสอนจากทุกๆคําสั่งสอนตามสติกําลังเจ้าคะ่ะถ้าห้ามชิมอาหารก็แล้วกันทําแล้วกอ็อย่าไปแตะอย่าไปกินอย่าไปชิมเดี๋ยวชิมคํานึงไม่พอเอาสักคำเลย เดี๋ยวทําไปทำมากินมันซะเลยงั้นถ้าจําเป็นจะต้องทําอาหารให้คนอื่นให้ลูกให้อะไรถ้าก็ทําไปแต่ต้องระวังตัวเราอย่าถลําไปกินตามเขาก็แล้วกัน mm hmm. เพราะเวลามันเห็นมันได้กลิ่นได้อะไรแล้วเดี๋ยวมันอดไม่ได้นะคําถามจากคุณจอยหนูเครียดและทุกข์กับแม่ที่เขาทําผิดศีลข้อสามหนูควรจะทําอย่างไรเจ้าคะและควรวางใจแบบไหนถึงจะไม่ทุกข์เจ้าคะ ก็ ano, เรื่องของแม่ไม่ใช่เรื่องของเรา เ, เราไม่ได้ทําผิดสินข้อสามเราก็ไม่มัน เ, เราก็ไม่ต้องรับผลบาปของสินข้อสามแม่ก็ทําบาปเข า, าก็ต้องเป็นคนรับผลบาปของเขาไปเราก็ไปห้ามแม่ไม่ได้ไปสั่งแม่ไม่ได้แม่เขาอยากจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาตอนที่เราเป็นเด็ก Islands, ทารกเขาทําผิดอะไรเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยจำไหมตอนที่กินนมจากแม่แม่ไปทําอะไรกับใครเราก็ไม่รู้เรื่องรู้เรารู้เราก็ไม่ สำคัญอะไรไม่สนใจเอนก็ทําใจแบบตอนที่เราเป็นเหมือนเด็กทารกเราเทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแม่จะทําอะไรก็เรื่องของแม่ไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามรูปทํางานประจําแต่ต้องการรักษาสิญแปดในวันพระซึ่งเป็นวันที่ต้องทํางานปกติด้วยรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนําการปฏิบัติด้วยค่ะอ้าก็รักษาไปเลรักษาได้เท่าไหร่ก็รักษาไป ถ้าอยากจะรักษาให้สมบูรณ์ก็มารักษาวันหยุดสิอย่าไปรักษาวันทํางานทําไมไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันพระวันขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดที่เราทํางานก็เป็นวันพระได้เป็นวันรักษาศีลได้เหมือนกันเห็นสมัยนี้เราต้องปรับวันพระใหม่ปรับให้ตรงกับวันหยุดของเราวันสมัยโบราณเขาเขาตั้งวันพระเพื่อให้ตรงกับวันหยุดสมัยโบราณเขาหยุดวัน ขึ้นสิบห้าค่อย่างวันนี้ทานั้นเองงั้นก็เราต้องปรับสมัยนี้วันหยุดทำงานของเรามันไม่ได้ตรงกับวันสิบห้าค่ำนมันไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนเทนั้นเอง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกับผมภาวนาพูดโธแล้วเหมือนกับรู้ขึ้นมาว่าทุกอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตทั้งนั้นไปสําคัญมั่นหมายว่าอย่างนี้อย่างนั้นชอบไม่ชอบแล้วก็ไปทุกตามที่ตัวเองสําคัญมั่นหมายทุกอย่างที่ผมพิจารณาทางปัญญาถูกไหมครับก็ต้องปล่อยวางต้องทําให้ได้อย่าไปทุกข์กับมันสิ ถ, <ม>ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ต้องไม่ไปทุกข์กับมันต้องหยุด ใจเราไม่ให้ไปยุ่งกับอะไรต่างๆขอให้ทุกสิ่งทุงอย่างเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราเพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองคําถามจากคุณกัญสิทธิ์ช่วยสอนหลักการภาวนาแบบง่ายๆหน่อยครับพุทโธไงท่องพุทโธไปแล้วก็ก่อนจะมานั่งก็พุทโธไปลืมตาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาก็พุทโธไปพอถึงเวลามานั่งก็พุทโธต่อไป เท่นั้นเองพุทโธคําเดียวเนี่แหละของวิเศษที่สุดในโลกมหมดแล้วเหละการภาวนานี่ง่ายจะตายไหมเพีย<ม>งแต่ท่องพุทโธนี่ก็ถือว่าได้เริ่มภาวนาแล้วท่องพุทโธพุทโธไป<ม>จะเดินยืนนั่งนอนกับพุทโธพุทโธไป<ม>ถ้าอยากให้สงบก็ต้องอยู่ในท่านั่งแล้วก็พุทโธไปพุทโธพุทโธในท่านั่งเดี๋ยวมันจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมา ถ้าอยู่ในท่าอื่นมันจะรวมยากถ้าเดินนี่มันจะไม่รวมถ้านอนมันก็จะหลับถ้ายืนเดี๋ยวมันก็เ ม, มื่ยอยก็ส่วนใหญ่จะเอาท่านั่งเป็นท่าท่านั่งสมาท่าทำสมาธิท่าอื่นเป็นท่าจเจริญสติไปกำลังทำอะไรกำลังเดินกำลังทำงานอะไรก็พุทโธพุทโธไปแล้วพอเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งหลับตานั่งตัวให้ตรงนั่งขัดสมาธิ ถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งห้อยเท้าอย่างนี้นั่งเหมือนเก้าอี้หลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบเองไม่ต้องไปรู้อะไรมากไม่ต้องไปคิดว่าสมาธิมีกี่ขั้นกี่ตอนมีแบบไหนมากยิ่งรู้มากยิ่งสงบยากเพราะแทนที่จะไปนั่งมันไปนั่งคิดว่าตอนนี้กูอยู่ขั้นไหนแล้วงั้นอย่าไปรู้อะไรเลยการปฏิบัติสมาธิให้รู้รคําเดียวรู้พุโทโธตัวเดียวพอดีกว่า อย่หลวงปู่มั่นท่านถึงสอนชาวเขาให้รู้แค่พุโทโธคำเดียวอธิบายมากก็ยุ่งยากกเปล่ า, าเพราะอธิบายไปมันก็ไม่เจออยู่ดีของอย่างนี้มันไม่ใช่เกิดง่ายๆ mm hmm. เดี๋ยวมันก็ไปนั่งจินตนาการโอ้ก mm ู hmm. ถึงขั้นที่หนึ่งแนละ้วขั้นที่สองแนละ้วขั้นที่สามแนละ้ว mm hmm. มันไม่ได้เป็นของจริงมันเป็นตามจินตนาการไปแค่ mm hmm. ไม่ต้องไปรู้อะไรรู้คำเดียวพุโทโธพุธโทโธพอ คำถามจากคุณอาขอเรียนถามลมหยาบลมละเอียดเป็นอย่างไรครับอ้าวก็ดูเสีมงลมเวลาหายใจงแรงเวลาวิ่งมาหอบเหนื่อยๆนี่มันหายใจหยาบเนยะพอนั่งไปสักพักแล้วพ อ, อ, อหัวใจเต้นเบาลงลมมันก็ละเอียดตามตามหัวใจไปนะเหมือนน้ำน้ำไหลแรงเขาเรียกว่าน้ำหยาบนะ้าเวลาฝนตกมา น, น้ำลำาน้นำลำธานไหลแรงมันก็หยาบ พอฝนหยุดตงแล้วน้ํมก็เริ่มช้าลงมันก็ละเอียดเบาลงไปนมก็แบบเดียวกันนมหยาบนมละเอียดไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันหยาบหรือมันละเอียดใครรู้ว่ามันเข้ามันออกก็ได้ถ้าไม่รู้ว่ามันหยาบมันละเอียดก็ไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็รู้เองเพราะนมมันจะเปลี่ยนเร้องต้นมันจะหยาบถ้านั่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยละเอียดไป เพราะใจเริ่มหยุดทํางานทํางานน้อยลงน้อยลงเหมืนอนรถยนต์เนี่ยนะเวลารถวิ่งนี่มันรถมันก็เสียงดังคงข้างคงข้างเนี่ยพอมาจอดปั๊บนี่มันก็เสียงมันก็เบาลงเบาลงอันนี้ก็หยาบละเอียดของรถยนต์ก็เป็นแบบนั้นบาปของใจบาปของลมก็เหมือนหยาบละเอียดของลมก็เหมือนกันเวลาที่เราทํางานทําการนี้เราต้องใช้ลมหายใจเร็วมากมันก็ละเอีย แต่พอเราไม่ต้องทำอะไรเรานั่งเฉยๆเราก็ไม่ต้องใช้ลมมากลมมันก็เลยเบาลมมันก็ละเอียดลงไปนั่นเองคำถามเพิ่มเติมจากคุณแนทะเรื่องการถือศีลแปดพลาดค่ะคือพลาดข้อทานข้าวหลังเที่ยงและข้อพระมัจจริยาขอรุกวเพระอาจารย์แนะนำค่ะหลังเที่ยงก็หลังเทียเท่ยงก็อย่าไปกินข้าวกินอาหารไม่ได้ดื่มน้ปนาปานะได้ แล้วก็อ บ, บรมจริยาก็ไม่ร่วมหลับนอนกับใครแม้แต่สามีของตนก็ไม่นอนสามีภรรยาของตนก็ไม่ร่วมหลับนอนกันวันนี้หมดแล้วใช่ไหมวันดีฝนจะมาแล้วก็คิดว่าเตรียมตัวกับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บข้าวของไม่ทันเดี๋ยวเปียกก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิริพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร